เรื่องภิกษุณีใช้ไหลกระแทกภิกษุสมัยนั้นสตรีคนหนึ่งเป็นอดีตพันยาของนักมวยบวชในสำนักภิกษุณีนางเห็นภิกษุทุกพลภาพที่ถนน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 ภิกษุณีไม่พึงใช้ไหลกระแทกภิกษุรูปใดใช้ไหลกระแทกต้องอาบัตทุกก์ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตภิกษุณีเห็นภิกษุแล้วหลีกทางให้แตกไกล